สองร้อยห้าสิบหกพุทธจึงมีพระเจ้าที่เป็นความจริงมิใช่ฝันความทุกข์หรือความชั่วเกิดมาจากเหตุอะไรพุทธ ศ, ศึกษาใครเป็นผู้สร้างเหตุ น, นั้นใครเป็นผู้เขียนบทให้แก่ชีวิตคนเรา เราจึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเหตุนั้นเกิดจากสิ่งใดหรือใครอื่นพระเจ้าไม่ได้สร้างเหตุนั้นแท้เหตุนั้นมาจากไหนพุทธค้นหาจน ร, จรู้จักรู้แจ้งความจริงว่าคือวิญญาณจริงๆด้วยแต่เป็นวิญญาณที่สัมผัสได้แท้ จึงเห็นแจ้งจริงว่าไม่มีสิ่งใดใครอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าเป็นผู้เขียนบทและกากับชีวิตของเราเมื่อเราทาจิตหรือวิญญาณของเราให้บรรลุความเป็นพรหมกายหรือธรรมกายได้อย่างสำ ม, มาทิถิการจริงๆจึงไม่ขัดแย้งกับพระเจ้าเลยแต่เป็นพระเจ้าจริง ไม่มีอะไรสงสัยในพระเจ้าหากรู้จักรู้แจ้งรู้จริงพระเจ้าแท้นี่คือบทสรุป